ปัตวัตเ 7. มหาเปสการสิกขาบดว่าได้การสั่งช่างห่ทอจีวรเรื่องพระอุปนันทสกยบุตร641สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบินทิกาเศธธรษฐีเบกุงสาวัตถีครั้งนั้น ชายคนหนึ่งจะไปค้างคืนต่างถิ่นกล่าวกับพระยาว่าเธอจงกะได้แล้วมอบให้ช่างหูกชื่อโน้นขอให้เขาทอจีวรเก็บไว้ฉันกลับมาแล้วจะนิมนต์พระคุณเจ้าอุปนันทะให้ครองจีวรภิกษุผู้ถือเที่ยวบินทบัตให้เป็นวัดรูปหนึ่งได้ยินชายคนนั้นกล่าวจึงเข้าไปหาท่านพระอุปนันท h สกยบุตรถึงที่อยู่ครั้นถึงแล้วได้กล่าวว่าท่านอุปนันทะท่านมีบุญมาก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 ต่อมาท่านพระอุปนันทศักดยบุตรได้เข้าไปหาช่างหูกนั้นถึงที่อยู่ครั้นถึงแล้วได้กล่าวกับช่างหูกว่าจิวรนพื้นนี้เขาให้ท่านทอเจาะจงอตมาท่านจงทําให้ยาวให้กว้างให้เนื้อแน่นขึงให้ดีทอให้ดีสางให้ดีและกรีดให้ดีช่างหูกล่าวว่าพระคุณเจ้าเขากะได้ส่งมาให้เท่านี้ ทั้งสั่งกําชับว่าจงเอาได้นี้ทอจีวรกระผมไม่สามารถจะทําให้ยาวให้กว้างหรือให้เนื้อแน่นได้แต่จะคึงให้ดีทอให้ดีสางให้ดีและกรีดให้ดีได้ขอรับท่านพระอุปนันทสักยบุตรกล่าวว่าเอาเถอะท่านจงทําให้ยาวให้กว้างและให้เนื้อแน่นเถิดไม่ต้องกังวลเรื่องได้ครั้นช่างหูกาได้ตามที่เขาส่งมาเข้าเครื่องทอจึงเข้าไปหาหญิงนั้นถึงที่อยู่ ครั้นถึงแล้วได้กล่าวกับหญิงนั้นว่ากระผมต้องการได้ขอรับหญิงนั้นกล่าวว่าดิฉันสั่งคุณแล้วไม่ใช่หรือว่าจงเอาได้นี้ทอชีวรช่างหกตอบว่าจริงขอรับแม่เจ้าท่านสั่งกับผมว่าจงเอาได้นี้ทอชีวรแต่พระคุณเจ้าอุปนันทะสกยบุตรกล่าวอย่างนี้ว่าเอาเถอะท่านจงทําให้ยาวให้กว้างและให้เนื้อแน่นไม่ต้องกังวลเรื่องได้ ยิงนั้นจึงให้ได้เพิ่มเท่ากับที่ให้ข่าวแรกท่านพระอุปนันทศักยบุตรทราบว่าชายคนนั้นกลับมาจากการค้างคืนต่างถิ่นจึงเข้าไปหาถึงที่อยู่ทั้นถึงแล้วจึงนั่งบนอาสนะที่เขาจัดไว้ชายนั้นเข้าไปหาท่านพรองอุันทักดิ์ยบุตที่นั่งท่านถึงแล้วจึงไหว้แล้วนั่งณที่สมควรถามพระยาว่าจีวรทอเสร็จแล้วหรือ พระยาตอบว่าเสร็จแล้วเขาสั่งว่าเธอจงนํามาฉันจะนิมนต์พระคุณเจ้าอุปนัน tha ักฤชบุตรให้ครองจีวรพระยานำจีวรผืนนั้นออกมาให้สามีแล้วเล่าเรื่องให้ทราบชายนั้นถวายจีวร น, นั้นแก่ท่านพระอุปนัน tha ักฤชบุตรแล้วตําหนิประนามโหนธนาว่าพระสมณะเชื้อสายสกฤชบุตรเหล่านี้มากๆไม่สันโดษจะนิมนต์ให้ครองจีวรไม่ใช่จะทําได้ง่าย ฉนพระคุณเจ้าอุปนัน tha ักยบุตรที่เราไม่ได้ประวราณาไว้ก่อนจึงเข้าไปหาช่างหูกแล้วกําหนดจีวรเล่าภิกษุทั้งหลายได้ยินบุรุษนั้นตําหนิประนามโพนธนาบรรดาภิกษุผู้มากน้อยพากันตำหนิประนามโพนธนาว่าฉนัยท่านพระอุปนันท h a สกยบุตรที่เขาไม่ได้ประวราณาไว้ก่อนจึงเข้าไปหาช่างหูกแล้วกําหนดจีวรเล่าครั้นภิกษุเหล่านั้น